ع َُ و م ر ُ وَمِنَ النَّاسِ م َ ن ي َ ج َ ا د ِ ل ُ فِي ا ل ل ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ م َ ن ي ج َ ا د ِ ل ُ فِي ا ل ل ا ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فيه ل ي ب ل عن سبيل الله له في الدنيا خز له في الدنيا خز و ن ق يوم ي ا م عذاب ا ل ح ر ي و ن ق ه يوم القيامة عذاب ا ل ح ر ي ق ซาลิกบิมะกับดามชยาดกว وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى ح َ ر ْ ف ٍ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ ط َ م َ أ ن َ إ ِ ن أَصَابَهُ ٌْ م َ أ ن ب ِ و َ إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة ق ل َ ب ع ل ى و ج ه ع ل ى و ج ه ه خ س ر ا ل د ن ي ا و ا ل خ ر ع ل ى و ج ه ه خ س ر ا ل د ن ي ا و ا <تصفيق> ل آ خ ر ة ذ ل ك و ا ل خ س ر ا ن ا ل م ب ي ن ذ ل ك و ا ل خ س ر ا ن ال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلم وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أسبحنا و بك أمسينا و بك نحيا و بك نموت و إليك النسور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 ر ับบ่เอากู้บิคจากั ن ในนาร ا ب ละกับในควบร์อัลลอฮุ ب ะฟินิในบดมิและฟินิใน ي า ي ิและฟินิในบั ي รีสัลามุอะล و ยกุมะรพี่น้องที่ร่วมเี่ยมมาสุบะที่รักทั้งหลายครับบารััมดุลิลละเราชุกัขอบคุณอัลลอฮฺโดยใช้ศัพท์ภาษาอาหรับว่า الحمد لله لkasuk وللحمد الحمد لله لkasuk รู้ว่าละการฮัมดุขอบคุณอัลลอ์การสรรเสริญทั้งหลายนี่เป็นของอัลลอ์และการขอบคุณทุกรายการนั้นเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้คบถวนอัลกุรอานนะครับปีนี้เป็นปีที่22สบสองแล้ว ล้วก็ซูรอก็เป็นซูราที่ยี่สิบสองเหมือนกันอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานที่บ้านของอ AH. ัลลอฮ์ผมอ่านฮะดิษพบนะครับตอนวัยนี้ที่ไหนที่เป็นมัสยิดที่ไหนที่เป็นมัสยิดบนโลกดุนยาใบนี้ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้ามองลงมาที่พื้นดิน ผูที่อยู่บนชั้นฟ้าในหมายถึงใครถึงมรรดา马าอีการมองมาบนพื้นแผ่นดินที่ไหนที่เป็นมัสยิดจะเป็นจุดสีขาวคือว่าตาบีอูบออายาบีอูตาบีอูจะเป็นสีขาวรส์มีสีขาวๆเป็นจุดจุดจุดจุ ด, จ, ด, จ, ดจากข้างบนลงมามองบนพื้นดินอัลลอฮฺเหมือนกับพี่น้องเราเราวันนี้มองอยู่อยู่บนแผ่นดินนี้งั้นดูช่องฟ้า โอที่ไหนมีดวงดาวจะเป็นจุดจุดจุดจุดจุดประทับเรองทีด้านบ้านของอัลลอฮ์หลังนี้นะครับหรือทุกหลังที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นที่นมาดอย่างเดียวบ้านของอัลลอฮ์ทุกหลังนะครับไม่ใช่เป็นที่นมาดอย่างเดียวต้องเป็นที่ที่สอนอัลกุรอานต้องเป็นที่ที่สอนอัลฮะดีคําสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาม และมัสยิดทั้งหมดนะครับเป็นที่ประชุมเป็นที่ปรึกษาหารือกันฉะนั้นมัสยิดไม่ใช่มีไว้เพื่อทำนามาดอย่างเดียวต้องมีกิจกรรมอื่นๆอีกทั้นทุกมัสยิดถ้าหากได้เข้าใจเรื่องนี้นะจะดีมากๆเลยนะเช้าๆเนี่ยตื่นสุดสบู่ขึ้นมาพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมานั่งฟังศาสนากันสังคมจะเปลี่ยน นะครับสังคมจะดีขึ้นมากๆแต่หากว่าทุกคนได้ทำหน้าที่อันนี้นะครับไม่ใช่มีไว้เพื่อนามาดอย่างเดียวต้องมีไว้เพื่อยาตาดาราสู้นะีฮาเอาคุรอ่านมาอธิบายเอาขัดีิสมาอธิบายสักหนึ่งอายะหรือสองอายะอัลฮัมดุลิลลาฮิโน่นั่นคือเป้าหมายที่อัลลอ์ให้มีมัสยิดของอัลลอ์บนหน้าดุบยาไปนี้ขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องเราได้ทบทวนกุณอ่าน ครั้งที่แล้วเนี่ยมาถึงอายาที่ห้านะครับพี่น้อง <c oughs> มันไม่อยู่วัดหนึ่งอารซาลิลอูโมรีอารซาลิลอูโมรีพูดถึงเรื่องการสร้างมนุษย์ครั้งที่แล้วนอายาที่ห้านะยาอายุฮันนาสโอมนุษย์เอ๋ยอายานี้ต้องการจะบอกว่าอัลลอฮฺประทานให้ที่นครมักกะถ้าหากว่า เริ่มต้นด้วยยาอายูฮันนาแสดงว่าอายานี้ถูกประทานที่นครมกะถ้าเริ่มต้นด้วยยาอายูฮันลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยแสดงว่าอายานี้ถูกประทานที่นครมาดีนะอ น, นาหมายถึงคนทั้งหมดถ้าอามานูเน้นเฉ พ, พาะผู้ศรัทธาแสดงว่าถูกประทานที่นครมาดีนะแต่ในสุร้อนนี้นี่นะ่ะ มิกซ์ความมิกซ์หมายถึงมีทางมักกะมีทางมดีนะอยู่ในสุรนีเลยประธานที่มักกะก็ใส่ตรงนี้แหละสุรนี้ประธานที่มดีนะก็ใส่อยู่ในสุรสกเกตเองสังเกตเองนะครับท่านคนที่มีอ่านหนังสือกูณอ่านเยอะๆจะเข้าใจเองเราจะอาจจะทำให้อธิบายอรรถสงสกล่าวเป็นการเพื่อเคลียนะไปให้เราจะสงสัยว่า สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างบานโลบรร่บัญญาบุญปัญญาเบนี้อัลลอฮ์รับผิดชอบหมดเลยในการสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างยังไงนักพิธีกรอ่านอธิบายว่าอิงกุ้นตุลฟีร้อยบินแต่ท่านทั้งหลายสงสัยสงสัยว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้คนตายไปแล้วน่ยฟื้นขึ้นมาได้ยังไงคนสงสัยไหมสงสัยกันเต็มเลยวันนี้จบด็อกเตอร์ก็สงสัยจบพยาธิวิทยาก็สงสัย ยิ่งชาวบ้านเนี่ยมันต้องไปถามเลยสงสัยอยู่แล้วอลัลลอฮ์จะให้ของที่ตายแล้วน่ยฟื้นขึ้นมาได้ยังไงอลัลลอฮ์อธิบายต่ออินนาฝลักงนากลุ่มมินตัรอบชั้นสร้างสรูเจ้ามาจากดินทุกคนยอมรับหมดแล้วครับนบีอาดามมาจากดินยอมรับหมดไม่มีทั้งพ่อเลยไมีมทั้งแม่แล้วก็สร้างตัวฮาวามาจากอาดามผ่านพ่อไม่ผ่านแม่คนก็ไม่สงสยัย พอข้อที่สสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อมีปัญหาชันือกลายเป็นนบีอีสาเป็นพระเจ้าไปแล้วเห็นไหมเพื่น้องเห็นยังครับฉัน ถ, ถ้าอ่านคุณอานอายานีให้เข้าใจนะจบอักยุดานี่สะอาดเพียวเลยเพื่น้องอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาหน้าที่ของมุสลิมที่อ่านคุณอานต้องนาอําอวัยะนี้ไปอธิบายให้เขาฟังถ้าสร้างสร้างมนุษย์ ในปัจจุบันนี้มาผ่านทางพ่อทางแม่ใช่ไหมใช่นิวซีระบบการสร้างของอัลลอฮ์นะหนึ่งสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่สร้างแบบที่สองผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ระบบที่สามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อก็มีอยู่คนเดียวนะในนีซาอันที่สี่เนี่ยผ่านทางพ่อและแม่พวกเราวันนี้จะนิก้าไม่นิก้าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ต้องผ่านพ่อแต่ผ่านแม่ใช่ไหมนี่ระบบที่สี่ อัลลอฮฺบอกว่านี่เป็นกฎธรรมชาติอีกสามรายการนั้นอ่ะไม่ใช่กฎธรรมชาติเรียกว่ากุญแจรอตุลลอเป็นความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลา่ทีนี้มนุษย์ยังสงสัยว่าเอ๊มนุษย์เนี่ยสร้างมาจากอะไรอัลลอฮฺอธิบายเลยมินตุลรอบินมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินซุมมาเมนนุตฟะแล้วก็มาจากน้ําอสุจิอัลลอฮฺอัลกบะดอสุจีก็มาจากอาหารนั่นแหละนะ ซุมมามินอาล่ะก็จากนา้าอสูติอยู่ในมดลูกสี่สิบวันย่งในหะดีสในคุรานมันจะอธิบายละเอียดนะฮะดีสมาอธิบายละเอียดเลยอยู่ในมดลูกสี่สิบวันกลายเป็นก้อนเลือดสี่สิบวันซุมมา ม, มินมินมดลูกแล้วก็กลายเป็นก้อนเนื้อมุขลแล้วก็ตินที่สมบูรณ์วารอยรูมุวารอยรีมุขลแล้วก็หรือบาง บางคนไม่สมบูรณ์ตายก่อนแทงก่อนก็ได้อยู่ในมดลูกนะั่นแหละพี่น้องซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้ววันนี้อธิบายอย่างนี้นะลิอยู่ใบยญนานะแ ล, ล้วกุมเพื่อที่จะอธิบายให้มันกระจ่างแจ้งให้จะท่านทั้งหลายว่า น, นี่เป็นระบบการสร้างของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาล้ใครทำได้อัลลออักามีเพียงหน้าที่ให้รู้อย่างเดียวก็ปดหวัวแล้วกันพี่น้อง แล้วต่อมาครับวานุทิรุฟิลอรห์และเราได้ให้หมดลูกเนี่ยไปน้องอยู่ในมดลูกต้องอยู่ในมดลูกนะนอกมดลูกไม่มีสิทธิ์ภาษาคุรานแล้วฟิลอราระหมอยู่ในมดลูกไปว่าอมภูมอยู่ในมดลูกหมดเลยครับแค่นั้นลูกจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จะเป็นคนแล้วไปอยู่ในมดลูกนอกมดลูกได้ไหมไม่ได้ ฉะนั้นที่ก็ทํากิฟตกิฟอะไรกันน่ะเดี๋ยวก็ทํามาตรการผสมผสมนะเอาอาสุจิคนนั้นคนนี้มาบวกกันไปน้องนั่นอยู่นอกหมดลูกเสียจต้อก็ต้องฉีกเขไปนะหมดลูกก็วทำไม่แม่หมออะไใช่ปะหมอแวใช่ไหย <c oughs> ต้องเข้าไปในมดลูกหมดเลยไปน้องแต่มีผู้หญิงปาเลสตินอยู่คนเล่าให้ฟังแล้วเมื่อสองปีที่แล้วมาขอบริจาคเล่า ว, ว่าชั้นที่ถูกตัดมดลูก เสร็จแล้วก็ไปเอาอสุจิของสามีซึ่งอยู่ในคุกเนี่ยเอามาฉีดเข้าแบบัหนไม่ไทราบท้องนอกมดลูกได้ผมไม่ค่อยเชื่ออะ ไ, ไรแต่ว่านั่งฟังฟังว่านั้นแหละทาได้ไหมหมอ น, นอกออไอ้ท้องนอกมดลูกไม่ได้นะก็ฟังไว้ให้อิมานก็เพิ่มไวแล้วกันพี่คน้องครับอยู่ในมดลูกกี่วันมานาชาอุลา อ, อาจลิมมุซัมาตามที่เราระสม เป็นเวลาที่เป็นที่รู้กันแล้วคือน้องกี่เดือนแปดเดือนเก้าเดือนคืน้องของเราส ม, มนุครียดอยู่กลุ่มติฟลนแล้วก็ให้เราเราได้ทําให้สู่เจ้าคลอดออกมาเป็นทารกเต็มรุ่นถ้าคนที่ท่องจําภาษาหลับเนี่ยภาษามันด้วยภาษาเพิ่มได้ความรู้อีหมานเพิ่มเลย ค, คลอดออกมาเป็นเด็กแล้วก็บางคน ทำให้เขาบรรลุถึงวัยเป็นหนุม่มอัลลอฮ์รีต้บรลูอาชุดเดกุมเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มที่แข็งแรงนะวามิงกุมไม่เอบอยูแต่ว่าฟาและบางคนในกลุ่มสูเจานะ้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาวาัยชีวิตวามิงกุมไมอยู่รอดดูอีละอาร์ซาลิลอูมูรีและบางคนในหมู่สูเจานะ้านี่แหละเราให้เขามีอายุเยอะจนกระทั่งสู่กับอะไรนะ ช่วงชีวิตที่เลวที่สุดหมายถึงแก่ชร า, ามากแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีไม้มมีครับผมตจองการจาอธี่บางท่านเป็นน้องว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยอัศจรรยลาอุมุอายุเยอะๆนี่พี่น้องต้องขอดูอาต้องขอดูอาอย่าลืมนะบางคนมาสุรากลั บ, บ้านไม่ถูกก็มีลืมลืม แต่ส่วนใหญ่มาโซราวลกลับท่านถูกหมดละจะไปชื่ออื่นแลกลับไม่ถูกลืมพี่น้องแสดงว่าคนคนนี้อายุเยอะแล้วไม่เคยขอดูอาตออบะซาบ้นานนบีชื่อซาท่านมีลูกหญิงและลูกชายพ่อเขาสอนก่อนที่พ่อเขาจะตายบอกลูกเอนั่งฟังพ่ออธิบายอย่าลืมมะขอดูอาต่ออบะขอสิคร สหบบานนบีฟังศาสนาจากท่านนาบีพอมาถึงบ้านอบรวมลูกเลยบอกลูกเอ้ยให้ขอพระอาอยยางงี้อัลลอฮุณมาอินนี้เอายูบ um ิกามินัลบุคลฉันขอความคุ้มครองจากอัลลออย่างให้เป็นคนขี้เหนียวอัลลอฮสังคมใดมีคนขี้เหนียวอยู่ในสังคมนั้นพป่น้องไงเจริญยากอัลลอฮทางเข้าสุรานะั้นเป็นโคนเป็นเลนไม่มีคนบริจาคนะ่ปนนอ่ามันเปื้อนไป ช่วยกันบริจานะคนหพ้นทางของอัลลอ์นะอัลลอฮ์ว่าเอายูบิกามินัลยุบเนี่ขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความขี้ลาดสองเรื่องแะดงไม่ดีทั้งคู่นี่สวบะสอนลูกคนในครอบครัวข้ อ, ขอที่สามว่าเอายูบิกามินอันอูรัดดะอิลอาดจาลิลอุมุรฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ Allah, อยากให้เป็นผู้ที่ถูกนำกลับสู่สภาพที่เลวที่สุดของชีวิตก็คือ แกแล้วหลงหลงลืมลืมต้องขอครับผมเริ่มขอมาห้าปีละเพราะเรารู้ว่าเราแก่ขออย่างข้อที่สีว่าเอาดุลกามินฟิตนัติดดุนยาว่าจะบป็นอบรีอลัลลอ์ข้อที่สี่นี่สำคัญมากนะขอความภูมิองจากอลัลลอ์ให้ฉันอยางให้เป็นคนที่ถูกฟิตนับนดุนยายังไม่พออีกไปถูกลงโทษเล่นงานในสุสาน อยู่คนเดียวน่ะเงาน่ะถูกถูกลงโทษไอ้คูโบเ อ, องเป็นน้องแต่นั่นขอถอายต่อรอสัปอัมเสมอขอทุกวันกี่ข้อสี่ข้อหนึ่งขอความคุ้คมครองจ่าลออย่าให้เป็นคนขี้เหนียวอยากให้เป็นคนขีน้นคลาดอยากให้เป็นคนที่มีอายุที่แก่แล้วหลงหลงลงืลงลืมข้อที่สีฟิตหน้าดุนยากับอาซาบิลก็บริการลงโทษที่สุสาน อยู่บนดุนยามีปัญหาเต็มไปหมดอยายายาอาลัลลอฮ์จะ่านรับไม่ไหวนะครับอลัลลอฮ์แค่ดูแลตัวเองแค่ดูแลสุขภาพน่แคก็แย่อยู่แล้วให้รับเรื่องอื่นใหญ่ไวอ้อัลลอฮ์เอาเรื่องดีๆมาให้เรารับผิดชอบดีกว่านะขอโทษตอนรอดพี่น้องอายุเยอะๆอายุเยอะนี่เท่าไหร่อิหม่ามชาบรรีเองบอกว่าคนนมาอายุสาสบแต่อิหม่ามอ บ, บบฮาฮาลีฟบอกว่าคนนมสี่สิบขึ้นแข็งแรง คนที่อายุห้าสิบนี่นะต้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วหกสิบเนี่ยหกสิบ็ดสิบนี่เขาเรียกว่าอยายุไดเริ่มเอมุดแล้วแก่ชราภาพแล้วต้องแล้วนะต้องขอดูอ า, อ AH าร์บอัลลอฮสม่ำเสมอนะครับทีนี้ต่อมาครับอายาที่หกซาลิกะบิอันอัลลอฮฮุวาลฮะ وأنه َُ يحيي ُ الموتى وأنه َُ على َ كل شيء قدير َ الله أكبر ذلك بأن الله هو الحق وأنه َُ يحيي الموتى َْ وأنه على كل شيء قدير اللهم ز ่าลิกะของที่เล่ามาทั้งหมดคืออายาที่ห้านี่เรื่องการสร้างมนุษย์มาจากยังางยังางยังไอยัางไาางแล้วก็มาแก่ชราแล้วขอดุอาเนี่ย ز าลิกะ بأن الله هو الحق นี่เป็นความจริงที่มาจากอัลลอฮ ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกโหกฮักกุลเป็นอะไรเป็นสัจธรรมเป็นความจริงใครกล้าพูดได้เนี่ยอัลลอฮฺแสดงนะทั้งหมดที่เล่ามาในอายาที่ห้านั้นเป็นความจริงที่มาจากใครครับมาจากอัลลอฮฺแท้จริงอัลลอฮฺเล่านั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไปหรอไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ถูกประทานลงมานะครับที่นครมักกะ มาถึงวันนี้มันพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนการสร้างของมนุษย์เป็นแบบนี้แหละและจะมีต่อไปถึงวันเตี้ยมพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ให้อยู่แบบมาเละิกะได้ไหมถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะให้มนุษย์อยู่แบบมาเลิกะได้ให้มาเละิกะอยู่แบบคนได้ไหมได้แต่อัลลอฮ์ไม่ทําำสร้างมาเละิกะอยู่แบบมาเละิกะนะั่นแหละ ม่ต้องกินไม่ต้องนอนมาต้องแต่งงานมาต้องข้าวของหน้ามาต้องมีบ้านแต่สร้างมนุษย์เนี่ยมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีที่ดินมีทุนมีนีม่มีแต่งงานที่อัลลอฮ์สร้างระบบมาแบบนี้ให้มีกินไปเนองนี่ระบบของอัลลอฮ์ที่สร้างมาแบบนี้จะให้จะให้มนุษย์อยู่อย่างมาลายกาอยู่ไม่ได้ไปเนองเพราะระบบที่อัลลอฮ์สร้างไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำด้วยลวลาขอบคุณอัลลอฮ์ไปเนาะนะ ต่อมาครับว uh ่าอันหุยฮิลมาตาและแท่จริงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทำให้ชีวิตที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้อัลลอฮ์นี่พูดชัดเลยครับย uh ุยิลมาตาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่นะครับให้ชีวิตแก่ผู้ที่ตายอัลลอฮ์พี่น้อง ให้ชีวิตกับผู้ที่ตายมีทั้งหมดในกัฟีอุคุร์อ่าน20ครั้งผมนั่งเช็คเมื่อคืนเนี่ยร้องอักบาดมีทั้งหมด20ครั้งนะอินน่าูยุหยิลมาตาคำว่ายุห ย, ยิลมาตาเนี่ยให้สิ่งที่ตายมีชีวิตขึ้นมาได้พูดกี่ครั้งนะ20ครั้งในกัฟีกุคุรอ่าน20ครั้งไม่ไม่ซ้ําก็ด้วยยุห ย, ยิลภาษาเดียวกันยุห ย, ยิลมาตา ให้สิ่งที่ตายมีชีวิตขึ้นมาให้สิ่งที่ตายมีชีวิตขึ้นมากี่ครั้งครับยูฮิลมาตายีสครั้งว่อันนัู่อัลลาตุลิชาอินกอดีต Allah, อัลลอฮ์อายะสุดท้ายนี่วักสุดท้ายนี่เป็นน้องยิ่งใหญ่นะพระองค์ผู้ทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลยายกุลิชาอินกอดีต มีอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องใ น, นการอ่รนอุบานมีกี่ครั้งรู้ไหมนั่งเช็คเมื่อคืนนี้39ครั้งให้ให้ของที่ตายฟื้นยี่สิบครั้งอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอีกสามสาครั้งอัลฮัมดุลิลเลาะห์อย่าลืมนะครับไอเลขสามเลข9้าเนี่ยมันมีความหมายทั้งหมดแต่อธิบายไม่ได้วันนี้มีความหมายหมดเลยครับถ้ า, ถามต้อเป็นเลขขี้เลขคู่ไม่ได้เลย มีสกเขตประเวทเนี่ยเขาก็เปิดทีวีเราดูเหกันกันถามผมว่าเอ๊ะทำไมต้องสามสิบสามทำไมสุภาานัลลอฮ์ตัวสาสิสามอ่ะเพราะว่านี่มันเลขขี้นะสามสิบสามแล้วพระเจ้าเนี่ยชอบเลขขี้ทุกสิ่งบนโลกดุนยาบบนี้เป็นคู่หมดเลยยกเวน Allah, เ้นอัลลอะ์เป็ น, เ ป, นเป็นขี้วก็ว่าเออใช่มนะมนุษย์อยู่คนเดียวเหงาไหม ผู้หญิงอยู่คนเดียวเหงาไหมก็จับมีการหมดแล้วใช่ไหมแต่อัลลอฮ์น่ะว่าให้น่ะไม่มีคู่ใบไม้ก็ไม่กันดูตัวผู้ตัวเมียฉะนั้นคนจะกินใบไม้เนี่ยพี่น้องถ้ากินกินไม่ถูนะไม่หายนะไปกินตัวผู้ก็ไม่หายจงกินตัวเมียเขานีกดอยู่แล้วซึ่งอัลลอฮ์ได้วางไปแล้วอะไรเป็นคู่คู่คู่คู่หมดพี่น้องชันฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนผู้หญิงผู้ชามีคู่หมดอิลลัลลอฮ์อิสลามเป็นหนึ่ง อินนั่ลลอฮฺอาเดะตุลลิชาอินกาดิษแท้จริอัลลอฮมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไปห้ามด้ลิลลาะ์ที่ว่าต่อมาข่าอายะห์ที่เว่อันนัสซาอาตาติตุลลาไรบะฟีฮะว่อินนัลลอฮฺยาบะอุมฟิลกุบูรอัลลอฮฺอัั وأن الساعة َ آ ت ي لا ريب فيها و َ ا ل ل َّ ه َ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّمَا تَمْهُوْ ط َ ع َ س َ وَأَنَّ السَّاعَةَ س َ ت َِ ة الْلَّهُ ر َ ب ُ ا ل ْ ع َ ا ل َ م ِ เดิมแปลว่านาฬิกาพี่น้องในากาข้อมือเนี่ซาเนี่แต่ในคำพิกเกษอ่านคาว่าซามาชัย น, นาฬิกาแปลว่าอะไรวันกียร์มวันสิลโลกวันหมดอายุโลกดุจยาใบนี้วันนาซาแท้จริงยามอวาสานั้นอาติตย์ุนจะต้องมาอาทิตยว่าเกิดขึ้นแน่ อาติยตุลมาแน่เกิดขึ้นแน่แน่ขอร้องพี่น้องอาติยาเป็ว่ามาแน่แเกิดแน่ๆ่ละรอยบาฟีฮาไม่มีการคางแคลงสงสัยในข้อนี้มาแน่แน่เกิดขึ้นแน่แน่วันสิ้นโลกหมดอายุแน่แน่โลกใบนี้หมดอายุครับตัวเราเองหมดอายุไหมหมดบ้านเราหมดอายุไหมหมดรถที่ขับอยู่รอวันพัง ทุสิ่งทุอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรถาวรอลาเนี่พี่น้องพอหมดอายุแลมชายงานได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลยนะมีอาหารอยู่กล่อนึ่งวันนั้นหมดอายุโอ้ถูกฟ้องอะ่ะกินอาหารหมดอายุอะ่ะแต่นั่นทุสิ่งทุกอย่างมีวันหมดอายุหมดจากนั้นเราเองก็รอหมดอายุ เวลาอายุแก่ๆแล้วให้มันขออ้อนวอนตอนแล้วอัลลอฮฺจะ ย, ยังให้หลงนะทําไมอ่ะเพราะมันหมดอายุอ่ะอาหารหมดอายุไปกินก็นท้องเสียอีกใช่ไหมฉะนั้นของที่หมดอายุที่นองทั้งหลายต้องนึกเลยเนี่โลกโลกดุนยาแบบนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนใช่ไหมชั้นฟ้าแผ่นดินคนและสัตว์เนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วอลัลลอฮฺตีราคาเท่าไรเป็นต้องราคาจําได้ใช่ไหมถ้าหากว่ามีข่าเท่ากับปีกยุง ฉันไม่อนุญาตให้คนกาเฟ่ดื่มน้ำสักตึกหนึ่งเมื่อสร้างดุนยาใบนี้ตีราคาไม่เท่าปีกยุงปีกยุงมีราคามากกว่าเห็นยังครับนี่ถ้าไม่อ่นานทาริสนาหลงดุนยาท่านน่าดูเลยพวกเราที่พออ่นานทิริสบนนี้ภาพเบาลงมานิดนึงเออไม่มีดุนยาแต่มีอัลลอ์มีอีมานโอโ้ดีไหมทำเพา อ, อีมานในบทอายุ มีอัลลอฮ์มีมูฮัมหมมีกุรานมีสุวรรณบีใช้ได้ถึงวันกิยามัดพี่น้องแต่ถ้ามีที่ดินมีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศใช้ได้เฉพาะแค่หมดอายุหลังจากนี้ใช้ได้ไหมไม่มีสิทธิ์ของที่ไม่หมดอายุคือกุรานของที่ไม่หมดอายุสุนนบีของที่ไม่หมดอายุคืออัลกุรานอัลลอฮ์คือการเข้าใจเรื่องของอัลลอฮ์สุพารณหัวใจพี่น้องเพราะนั้นอย่าหลงนะ อย่าลงดุนยานะดุนยามีได้ไหมมีเพื่อประคองในตัวเรามีหน้ามีตานในสังคมดุนยานี่มีเงินแล้วก็มีอะไรมีพวกคุณอ่านตรงไหนครับอ๋อคุณอ่านพูดเยอะเลยอัลอาอูลาดอัลมาลุวาลบาณูนลูกเงินและลูกลูกมาถึงพวกพวกด้วยลูกด้วยพี่น้องดุนยามีแค่สองอย่างนี้นะอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกดุนยาไม่ได้พวกทุก เงินก็มีแต่ถ้าจะอยู่ในโลกอาร์ครอสางง า, ามต้องมีอีมานมีตักวาสองข้อที่นอ้องอย่างอื่นไม่มีต้องเข้าใจน ะ, ะต่อมาครับว่าอันนบอฮัยบอาสูมะฟิลกูบูแท้จินอัลลอฮ์จะทรงยับาสูแปลว่าให้ฟื้นขึ้น มาฟิลนภูบูตผู้ที่อยู่ในสุสานผู้ที่อยู่ในสุสานทั้งหมดอลัลลอจะให้ฟื้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคำอธิบายในตบสีภาษาอุดดูภาษาลาผมนั่งเช็คน่อพื่น้องคำว่าสิ่งที่อยู่ในสุสานให้ฟื้นขึ้นอธิบายยังไงครับ มนุษย์ทุกคนที่เข้าไปอยู่ในอัลัมบัซักอัลัมบัตซักหมายถึงโลกระหว่างดุนยากับโลกอาคีรอตรงกลางเครียกว่าอัลลัมบัซักอัลัมเปโวโลกอัลัมบัตซักมีอะไรบ้างคนจะจมน้ําตายหาศพไม่เจอก็อยู่ในอัลลัมบัตซักนะครับถูกเผาไหม้จนตายหาศพไม่เจอก็อยู่ในอัลัมบัตซัก สัตว์รายที่กินคนเอาไปกินหมดเลยหาศพไม่เจอก็อยู่ในอารามบัลักหรือคนที่ตกเครื่องบินหาศพไม่เจอก็อยู่ในอารามบัลลัคอะไรก็ตามที่ตายและอยู่ในโลกอารามบัลักจะหาศพเจอหรือไม่เจอเรียกว่ามัมฟิลกูบูคนที่อยู่ในสุคนที่อยู่ในสุสานทั้งหมดเรียกว่าในอารามบัลลัคจะตายแถบแบบไหนก็ตาม ตายแบบฝังตายแบบเผาหาศพไม่เจอสัตว์เอาไปกินอนะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นฟิลกูโบดอยู่ในกูโบทั้งหมดอัลลอฮฺอัลลอฮละห์อัลลอฮฺฮตาสว่างเลยฉะนั้นไม่ใช่เราไม่เอารอฝังอย่างเดียวไม่ใช่คนที่ไม่ได้ฟังด้วยที่เอาไปเผามีไหมเมืองไทยเยอะมากในอินเดียก็ทิ่งนแม่น้ํน า, างคงคาเอาหินผูกตังโจมแม่น้างคงคาไปไปน้องนั่นก็อยู่ในกูโบเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาฮฺฉะนั้น ตาอยู่ในอารมณ์บัณซักท้งหมดอัลลอฮ์จะให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึิงเมื่อไรครับมีวันกาหนดแน่นอนอยู่แล้วอัลลอฮ์รู้ผู้เดียวคนอื่นไม่รู้พี่น้องพี่น้องครับการสร้างมนุษย์และการยกตัวอย่างเรื่องแผ่นดินที่แห้งแล้งอายาที่ห้าเนี่ยพี่น้องถ้าสงสัยว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างไงตายแล้วให้ฟื้นขึ้นมาอย่างไงให้ดูแผ่นดินที่แห้งแล้งเป็นแบบ แผ่นดินที่แห้งแล้วพี่น้องสังเกตเนี่ยนี่เขาคงคิหนึ่งเมื่อก่อนตรง4คีคอนเน่เป็นทุ่งนาน่ะเป็นทุ่งนานหมดเลยเวลาฝนตกปั๊บเนี่ยตกตองกันคือพอตอนเช้านะออกไปเดินเจอปลาเต็ม เ, เลยปลาทั้งนั้นผมคนเดียวที่หาปลาไม่เป็นเดินได้เท่าเขาเนั่นแหละเขาได้กุ้1สิบตัวยี่บตัวเราทั้งวันไม่ได้เลย เหมือนอลเลาว้เองค่อาชีพเอิญเลยยนไปหาเลยเหมือนก็บอกนะจากเด็กๆไม่สำเร็จคนที่หาเก่งเนี่ยจิริมโอ้โหหาเก่งจริง ๆ, ๆ, ๆ เ, เล่าอะไรหาปลาไม่ได้ไปน้องผมก็นั่งเลือกใินปลานี่มาจากไหนแค่คืนเดียวน่ะโอ้โหกบเทียดกอดแอบออกแอบถ้าไม่นึกถึงกุกุลานอายะานีถ้าสงสัยว่าคนจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงให้ดูแผ่นดินที่แห้งแล้ง เวลาอัลลอฮให้ฝนตกลงมาทุกชีวิตอัลลอฮฟื้นหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แผ่นดินก็เขียวชือุม่มใช่ไหมคนก็เหมือนกันอยู่คนเดียวเหงาพอหนึ่กะปั๊บอัลลอฮ์อักบัตสดชื่นอัลลอฮ์อักบัตอัลฮัมตัวถามคุณเฉลิมอัลฮัมดุลิลลาห์อ่าพี่น้องอายาตก่อมาอายาตที่ยาติครับ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 ว่ละกิต บ, บินมุนีร อ, อัลลอฮอะลัยฮิวะลัอายะห์นี้ตองการที่อธิบายว่าใครที่โต้แย้งกับอัลลอฮ์คือใครที่โต้กับอัลกุรอานขาดทุนใครที่โต้กับอัลลอฮ์คนที่โต้แย้ง ไม่เดินตามอัลกุรอานแย้งอัลกุรอานไปน้องขาดทุนเอาดูกุรอานว่ามีนันนาสและในหมู่มนุษย์บางคนเห็นไหมว่ามีนันนาสมนุษย์บางคนมาใชจทั้งหมดไปน้องเป็นยังไงครับไม่ยูจาดิลมีผู้โต้เถียงยาดะลาอยู่าดิรู้แปลว่าโต้เถียงมีความเห็นไม่เหมือนอัลลอฮ อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้มันพูดอย่างนี้อัลลอฮ์พูดอย่างนี้มันว่าอย่างนี้พี่น้องเทียงอัลลอฮ์ทุกเรื่องเลยยกตัวอย่างอะไรบ้างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าวันเกียร์มะมีจริงทุกคนต้องตายแล้วฉันจะให้ฟืน้นบอกฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเนี่ยเขาเรียกโต้แย้งกับอัลลอฮ์ข้อที่สองอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่หมด ฉันไม่เชื่ อ, อรสมาว่าฉันเนีสร้างมนุษย์มานุสีแบบนะแบบแรกอะไรไม่มีพ่อและไม่มีแม่แบบที่สองมีพ่อไม่มีแม่แบบที่สามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อไม่เชื่อไม่เชื่อนบีอีสาเอลฮิสลาเห็นไหมกลายเป็นพระเจ้าไปแล้ววันนี้แบบที่สีเนี่ยจากน้ำมาซูจมิมีทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้อง เรื่องที่สามเนี่ยทะเลาะ ก, กันวันนี้โต้เถียงกันในวันนี้เถียงใครเถียงกับอัลลอฮฺ سبحانه และก็อาณาพวกอาหรับมุชริกินสมัยท่านนาบีเผยแผ่าศาสนาที่นครมะก้าใหม่ๆพี่น้องพวก อ, อาหรับมุชริกมีอติได้ว่ามาลาิกาเป็นลูกสาวอัลลอฮฺทำไมเรบาบอกอัลลอฮ์ก็เหงาเหมือนกันเอามาลายกามาเป็นลูกมาเล่นกันอะไรกันหยอกันได้กัน นั่นตีความว่าอัลลอฮ์นั่นเหงาแบบมนุษย์นี่เขาเรียกว่าโตเถียงกับอัลลอ์โตแย่งกับอัลลอ์ทั้งหมดเลยทีนี้คนที่โต้แย่งกับอัลลอฮ์เป็นไงครับฟิลลาฮีโตแย่งเกี่ยวกั บ, Allah. บอัลลอฮ์เบไรลมินโดยไม่มีความรู้ความรู้ที่พูดในเมืองความรู้ต้องมีหลักฐานม่้มีอารมีคำพินลำไหนบ้างอธิบายซึ่ว่ามาจากอัลลอ์ไหม มีร้อยงายมินคนที่โต้เถียงอัลลอฮ์ในสุนัยไม่มีความรู้หมดเลยถึงจะมีความรู้จบสูงสูงอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าคนคนนี้ไม่มีความรู้นี่เป็นการลบล้างอักดีด้าหมดเลยนะฉะนั้นคนที่มีความรู้จบจบด็อกเตอร์พญาโทอะไรก็ตามถ้ายังพูดว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีภรรยาอัลลอฮ์มีนู่นอัลลอฮ์มีลูกสาวชื่อมาแล้อีกแคทั้งหมดเหล่านี้กําลังโต้เถียงกับอัลลอฮ์โดยไม่มีความรู้ อรรถตําเน็ตครับแล้วต่อมาครับวาลาหูดันไม่มีทางนําคําว่าหูดันในตําสีภาษาอุาอดรอธิบายเป็นน้องครับทางนำหมายถึงดาริลอักลีไม่มีความรู้ด้านสติปัญญาเข้าไปเสริมก็ไม่มีอักลีอักลีดาลิลอักลีหลักฐานทางสติปัญญาหูดาทางนําที่ เป็นความรู้ด้านสติปัญญาไม่มีคนหนึ่งคนใดมีรองรองรับ เ, เลยสักคนหนึ่ง mm. เช่นอัลละม่ไม่มีใครรองรับเลยแล้วต่อมาครับวาเลกีตาบิมมุนิตและไม่มีคำพีมุนิตบอกว่าที่มีรัศมีที่จํารัดอันจํารัดอันมีรัศมีไม่มีอะไรมารองรับเลยว่าอัลลอฮ์นั้นมีลูกอัลลอฮ์นั้นมีภรรยา ไม่มีอะไรมารองรับเออดังนั้นคนที่พูดใส่ร้ายอัลอลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษแน่แในวันเตียามะทันยังอายชาถามท่านนบีบอกว่าเมือ่อฉันตายไปแล้วนอนอยู่ในกูโบ่เนี่ยจะมีการสอบสวนไหมพระยาถามนบีพี่น้องนบีบอกมีสิแล้วฉันเป็นผู้หญิงแก่ๆเนี่ยฉันจะเอาแรงที่ไหนมาต่อสู้กับมะลายิกอัลลอฮ์บอก ว, ว่าแรงมีครับมันมี นะมีข้อยกเวน้นมันมีที่มันมีโลกป้องกันการลงโทษที่กูโบได้ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้ดีหนึ่งคนที่กล่าวว่าละอิละฮ์อินลอละมุฮัมมัดุรลัซซุลลอถ้าเข้าใจสองประโยคนี้ให้ดีนะนอนอยู่ในกูโบการทรมานไม่มีทั้งสิ้นไปทำยังไงเลยพี่น้องนี่ทางออกของชีวิตเราแล้วปลอดภัยแล้ว พวกเราที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยลาลฮัมดุลิละทุกคนกล่าวปันเรืนี้ใช่ไหมลาอิลลฮะอิลละลอหมุฮัมมัดุลรอซูลลลอฮและเข้าใจสุนนะจริงๆจิ่น้องนจิหัมมัดมาถึงสุนนะนะจะกินจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะเข้าห้องน้ำจะแต่งงนะอังสุนานะในบีพผยใช้ในชีวิตทำให้ท่านไม่ถูกสอบสวนในกูโบ่เห็ไหมจ่นจอนี่พอท่านในาบีพูดกับภรรยาปั๊บเนี่ยนางก็สบายใจแล้วเอออัลฮัมดุลิลล เรามีเครื่องป้องกันเรามีโล่ป้องกันไม่ให้ถูกลงโทษขณะที่นอนอยู่ไหนสุสานอะไรครับกาลิมานี้และและอิละฮะอิลล allah มุฮัมมัดุลรัสูล ullah พี่น้องพี่น้องยืนยันกับอัลลอฮ์และรัสูลนะเพราะนั้นคำว่าสุนนะเนี่ยไม่ใช่จัดงา น, นาเมล็กโอ้ฉันสุนนะอย่างแรงเลยไม่ใช่พี่น้องเอาคำสอนของนบีมุฮัมมัดมาใชา้ เท้ามัสยิดท้าอะไรออกจากมัสยิดเท้าไหนแล้ว อ, อ่านตัวอาบทไหนไปยืนอยาวนนี้วันาทิตย์ที่แผงหนังสือพิมพ์ในผู้หญิงโป้มันเลยใช่ไม่ใช่ไปยืนอยู่หน้าแผงหนังสือพิมพ์อ่านตุอาว่ายังไงอัลลอฮุมะอินนีอาอูยุนเกามบินฟิตนัตินนิซะวะอาจาบิลกับรีต้องอ่านตัอาบทนี้เป็นการคุ้มครองตัวเราหมดเลยพี่น้องแค่ที่เรามีเครื่องป้องกันชีวิตของเราไม่ให้เราน nan ถลําออกจากบนทางเกาะบ่ อิศตุคุลรอพี่น้องอุลมะภาษาอุบุอธิบายดีนะจงเลือกเอาตักวาและเลือกเอาอีมานหกข้อมาเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตสาคัญมากพี่น้องครับต้องเอาอิสลามเอาสุนานะนาบีเอาอีมานมาเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตและจะไม่ถูกลงโทษที่สุดสาการทำบุญเล่าพี่น้องต่อมาครับ ว่ามีคนบางคนที่ที่โต้เกี่ยงกับอัลลอฮ์โดยไม่มีความรู้อัลลอฮ์พี่น้องอย่าไปโต้กับอัลลอฮ์นะมีแต่แพ้กับแพ้อัลลอฮ์แนะนำนะกรับีุ่รอ่านเชื่อให้หมดพี่น้องนี่แหละปลอดภัยที่สุด ฉะนั้นข้าไปเถียงกับอัลลอฮ์อัลล์บอกว่าบรย์นี่เอลเมเองนี่ไม่มีความรู้ว่าลหูดันและไม่มีทางนำที่ได้มาจากคิดเองอะไรเองก็ไม่มีี่นองคิดผิดหมดเลยครับว่าลกตาบิมูนีและไม่มีคำภีที่อธิบายแบบชัดๆก็ไม่มีไม่มีอะไรมารองรับเลยแคนั้นอย่าโตกับอัลลอ์เลยไปนองเดินตามคำสั่งของอัลลอ์ให้สงบ คือลิกจะขึ้นกับตัวของท่านเจาของต่อมารับอายะที่เาตฟีลิยดิล สานีย์ให้ทอั سبيل อิลล له في الدنيا خز و ن ي ق يوم القيامة عذاب الحريق الله ك ب ر الحمد لله สานียแปลว่าขานหันหันออกหันหัน ซานียนะครับแปลว่าหันหันอะไรครับไอตฟีฮีสีข้างของเขาเขาหันสีข้างของเขาออกหลังจากได้ยินเรื่องของอัลลอ์ผ่านปากนาบีมุฮัมมัดคนที่หันหน้าหันสีข้างออกมาอยากจะฟังใครรู้ไหมอบอูยานอายะนี้ต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าคนที่ฟังเรื่องราว จากอัลกุรอานฟังเรื่องราวจากการอธิบายของท่านนาบีเรื่องของอัลลอพ์พอฟังแล้วกูไม่เอาหันข้างๆออกใช่หรือไม่ใช่นี่แหละภาพของมนุษย์เลยนะหันหลังให้หันสีข้างให้ฉันไม่เอาซานยอฟีแต่นั่นคนที่หันสีข้างให้ไม่สนใจไปน้อง จะทั้งคนที่อ่านคุรานพี่น้องถ้าหันหลังให้กคุรานคาดทุนพี่น้องเจ้านี้พออธิบายเรื่องอัลลอฮ์ปับเนี่ยอบูยะฮันนี่นะหันสีข้างไม่สนใจไม่อยากจะฟังของที่นบีมุฮัมมัดพูดพี่น้องคนที่หันข้างให้กับคําสั่งของอัลลอฮ์คนที่หันสีข้างให้กับนบีมุฮัมมัดเป็นไงครับิิลลลลลนบ เพื่อให้ผู้คนนั้นหลงออกจากทางของอลอลเพราะอูโบสถนี่พวกเยอะถ้าหัวหน้ามาสนใจเนี่ยเดี๋ยวลุง้องมารับอิสลามมาหลายคนก็เลยแสดงเลยไปน้องนี่หัวหน้าไม่เอาแล้วนะลุงงอกต้องตามหมดแล้วตามแบบนี้นะหลงหรือว่าดีครับรูบิลล่ะทำให้เกิดความหลงนะน้อง แค่เรื่องตะกับบสถ์เรื่องย่อยิงจ้องโหในอิสลามเนี่ยไม่อนุ ญ, ญาตให้ทำต้องนอบนอบ้อมตอมถอมตนเมื่อได้ยินคำพูดจากกุราได้ยินคำสอนจากท่านนาบีให้น้อมรับด้วยความเต็มใจสมามอญนาะว่าเอาเป้ะ น, นา <S <S ฉันได้ยินแล้วครับฉันก็พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติแล้วครับ ม, มาจะสามอญนะว่าเอาซอยนาได้ยินแล้วฉันไม่เอาครับ ฉะนนถ้าฟังกุอ่านฟังฮะดีต้องนอบนอ้อมท่อมตนน้นอมรับด้วยความเต็มใจฉะนั้นคากุณอ่านพูดเรื่องอัลลอฮ์ต้องฟังครับถ้าไม่ฟังเรียกว่าซาญิยาอิสฟีเอี้ยวคอของเขาจะเอี้ยวตัวของเขาไปอย่างคำสั่งอย่างยะโสอัลลอฮไปน้องหันสี้างของเขาอย่างยะโสลิยูดิลลันซาบีลิลล เพื่อทำให้ผู้คนนั้นออกจากทางของอัลลอฮ์เป็นยังไงคนที่ทำตัวแบบนี้มาดูการลงโทษลาหูฟิดุญยาคิซยุนสำหรับเขานั้นคือความอับยศุยคิซยุนเนี่ยอัปยศแปลภาษาไทยว่าความอายนี่พี่น้องที่เราเ อ, าอ่ยชื่อคำว่าอบูจฮันเนี่ยอายหรือไม่อายอายน่ะ ถ้าอบูจาฮันนั่งอยู่น่นนเอ่ยชื่ออัวอีเล้วอัลลอ์แล้ ว, ออลวลคนที่คิดแบบอบูจาฮันมีเปล่ามีหมดเลยคือน้องในโลกใบนี้ถ้ามันได้ยินนะอัลลอ์นี่กุรอานกำลังอธิบายนาคนที่อะไรนะคนที่เอี้ยวคอของเขาเอี้ยวตัวของเขาหันสีข้างให้กับคำสั่งของอัลลอะ์ถูกตําหนิไอายไหม อลพี่น้องเห็นอย่างกาเป็นนั่นคนที่ไม่เอาศาสนาที่ขาดทุนไม่เปนน้องนะคิดยุนพวกเขาพบกับความอับปายต์ฟิดดุนยาบนโลกดุนยาใบนี้ยังไม่พอพี่น้องวาโนซีกูฮูยอมาลติยามาอาซากอยูซีกเราจะให้เขาได้ชิมชิมพี่น้องแต่ท่านพี่น้อง ชิมขนมนั่นแหละชิมชิมจะ ช, ม ช, มชิมอะไรครับเยาวมันกิยามาติอาซาบัลฮาริกชิมการลงโทษที่ลุกไหมอัลลอฮ์ Allah พูดภาษาง่ายนะคนที่ไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาคุรานไม่เอาสุนาานะานบีวันนี้อัลลอ์จะให้เขามีความอับอายบนโลกดุนยาพี่น้องใครเอ่ยชื่อเราเราก็เสียใจนะไอ้คนนี้ไม่เอ า, าศาสนามันแค้นเพี่น้อง ยิ่งในกลุ่มอุลมามะทั้งหมดพี่น้องเป็นล้านๆคนเนี่ยบอคนนี้ไม่เอาศาสนาโอ้โ ห, โหพี่น้องไออุลมามะน่ะไอมลายาลิกาน่ะและยังไม่พอครับเราจะให้เขาชิมการลงโทษอันลุกไหมเมรัยครับเย้ามังติยามะในวันฟื้นคืนชีพพี่น้องต้องหลับเห็นยังครับโทษของคนที่หันหลังให้กับศาสนาหันหลังให้กับสีข้างหันสีข้างให้ศาสนาพี่น้องมาถึงไม่สนใจ จะท่านเป็น้องลูกลูกหลานเราเนี่ยนะต้องมีศาสนานะอยู่ที่พ่อแม่หมดเลยเนี่ยลูกจะมานามาสุบโบได้อยู่ที่พ่อแม่ใช่หรือไม่ใช่แล้วพ่อแม่ไม่ปลูกมันขึ้นไหมแล้วก็ปลุกลูกนะคั้นเดียวพอมั้ยส5หแต <c oughs> <c oughs> ่น่าต้องอดทนหมดเลยรางวัลต่อแทนจากออร์นีแต่พระยาปูกง่ายทำดูดิล แล้วก็ภรรยาปลุกสามีง่ายมากง่ายเพราะมันเคยผ่านชีวิตของดีๆมาส ก, กิดปั๊บรู้เลยผมตั้งนาฬิกา ท, ทททททาที่สามที่สี่ที่สี่ที่สี่สิบนาทีห้านาทีทำเรื่อยได้นามาดรลายเราก็อาจจะทำเรื่อยๆไปเนาะแต่บางคืนก็ปลุกทำไมกำลังจะนอนไป่นองต้องอดทนทั้งหมดนะอา้าวไปเนอง คนที่ไม่เอาศาสนาหันข้างให้กับศาสนาหันหลังให้กับศาสนาให้กับกุลอานกับสุนทรนาบีเป็นไงครับไม่ยอมเรียนเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ยอมเรียนเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ยอมเรียนเรื่องสุนทรของนาบีละหูฟิดดุนยาคิซยุนเขาจะพบกับความเสียใจในโลกดุนยาวาณูดีกูหูยาุมานติยามาและเราจะให้เขาลิ้มรสแห่งการลงโทษ เป็นไฟที่ลุกไหม้ยาวมาลงเตียมาในวันเตียมาอัลลนอฮฺพิอัตตางหลรับอายานนี้อุลมามะอธิบายบอกว่าคนจะอธิบายเรื่องของาศาสนาต้องมีความรู้คนจะอธิบายเรื่องของาศาสนาต้องมีความรู้ตัฟซีดภาษาอุร ด, ดูของตัฟซีดมาจิดีเขาบอกว่า คนนักนักนักฟุกะฮะเนี่ยจะอธิบายเรื่องมุสสาสนาว่าอิหมามนู้นว่าอย่างนี้อิหมามนี้ว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีความรู้นะห้ามอธิบายนะต้องมีความรู้ต้องอ่านมาต้องอธิบายโดยอาศัยความรู้นะครับอย่างละเอียดถึงจะอธิบายได้อายะนี้ต้องอธิบายอย่างนี้อายะสุดท้ายนะครับอ้ออีสองอายะละลิกะบิมากคดามัชไอดี ذلك بما قدّمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبد الله เป็นน้องเข้าใจภาษาหลับเล็กๆน้อยๆใน إ ي า ا นั้นเพิ่มนะ ذلك بما قدّمت يداك وأن الله ليس بظلام للعدي <ير> ذلك แปลว่านั่นเป็นเพราะบิมากดดาัดที่ได้ทำล่วงหน้าไว้ก่อนแลว้วบิมากดดาัดแปลว่าได้ทำล่วงหน้าไว้ก่อนแลว้วก็เป็นเพราะ เขาได้ทำอะไรล่วงหน้ า, าไว้ก่อนแล้วอะไรใครทําครับยาดากัมือทั้งสองของเขาก็ปฏิเสธอิสลามนะทำล่วงหน้ า, าไว้ก่อนใช่ไหมทำก่อนตายใช่ไหมอ่าพี่น้องท่า น, นคนที่อยู่บนโลกดวงดาวใบนี้ถ้าไม่เอาอิสลามไม่เอากูนอานไม่เอาสุนานญาบีพี่น้องเท่ากับเขาเนี่ย ได้ทำล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก่อนตายใครทำคับยาได้กมือทั้งสองของท่านนละทำเอาไว้เป็นคเห็นกันด้าการที่ไม่ฟังศาสนานี่ขาดทุนอย่างนี้พี่น้องพอตายแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งมารรวมาพุ่งอานจากขัดิษนะพอตายแล้วพอเอาจับใส่ลงปั๊บลงโวยเลยอ่ะ เอ็มจะพาฉันไปไหนแล้วตุกัดดีมูนีอย่าพาฉันไปเพราะจับสซโลงร้องเลยอ่ะพี่น้องนี่นะถ้าไม่เชื่อคําสอนของนบีเชิญถ้าไม่เชื่อเชิญไปเลยเดี๋ยวรู้เองพี่น้องรู้เองอ้ลเราขอรอมได้ไหมพี่น้องเมื่อวานนี้ปไปบรรยายที่ไหนอัลลอฮฺเราแห่งเด่นพี่น้องมีคนถามบอกว่า วิญญาณของคนตายเนี่ยกลับมาเที่ยวบ้านมานะกลับได้ไม่กลับกลับไหมไม่กลับขนาดขอร้องยังกลับไม่ได้เลยอ่ะมีอยู่อายาหนึ่งไลตะเกาไลตะเกามียาเลมูนบิบมะรฟารลีรับบีว่จ้าลมีมินัลมุครมีนันรยาเซนใช่ไหมรู้ไหมแปลว่าอะไร ยาไล่แต่ถ้าเป็นไปได้คนที่ถูกสอบในกูโบพี่น้องพอสอบแล้วมันฐานบนเลยอ่ะเขาถามว่ามาันรบุกกะอัลลอฮุรับบีมันนบีอยู่กับมุฮัมมัดนบีมันอิมามุกัอัลกุรอานุตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็อยู่สบายพี่น้องอยากจะบอกให้คนที่บ้านรู้บิมากอฟรลีว่าอัลลอ์เนี่ยได้อภัยโทษให้ฉันหมดแล้ว ฉันอยู่สบายแล้วไม่ต้องห่วงฉันนี่อัลลอห์นับเข้าแกพี่คุณอ่านคนที่จะอยากจะบอกว่าพวกเองไม่ต้องห่วงฉันฉั น, นปลอดภัยแล้วขนาดจะเล่าให้ฟังอัลลอฮ์มันก็นาทีเด็กนอนสบายๆในคูโบโมไม่ต้องยุ่งดิมากคว า, าลารีรับดีวาจาลาเนมินัลมุครมิลอัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติฉันอยู่ในสุสานเนี่ยสบายจริงๆ อยากจะเล่าให้คนที่บ้านฟังแต่อัลลอฮ์แบบเนี่ยกูอาญาณี่มันน่าหน้าหน้าจะน่าจะพอแล้วนะถ้าไม่ถ้าบอกกูก็ไม่เชื่อเอ ง, เองนะ่ะเอ็งเพีย้ยนหรือเปล่าไป <laughs> น้องเดินตาม ค, รรคําสั่งของอัลลอฮ์แบบสงบสงบห่อมอยู่ลลยเลยน้องอัลลอฮ์อักบัดยิ่งใหญ่นะเอาต่อมาครับอันวะอันอัลลอฮและแท้จริงอัลลอฮ์นะไลซาบิษล <suspension of Jin> อัลลอฮ์ไม่ทรงมีทรงอาธรรมครับลิลลาบีต่อเบาของพระองค์อัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ไม่อาธรรมต่อเบาของพระองค์เลยขอยกตัวอย่างง่ายๆกันพี่น้องคนคนนี้พูดจาดียกตัวอย่างนะอัลลอฮ์สัญญาเลยฉันจะให้รางวัลบนดุลยาและจะให้รางวัลในโลกอาคิอรอดด้วยคนคนนี้พูดจาไม่ดีอลัลลอฮ์กาหนดเลยนะเขาลงถูกลงโทษก่อนตายวันที่เทลายชั่วโมงไหนบันทึกไว้เลยแล้วก็ หลังตายถ้าไม่หมดถูกอีกแค่นั้นคําพูดที่ออกไปจากปากเบาวของพระองค์นลยนะอัลลอฮ์กำหนดเลยนะถ้าเป็นของดีให้วันนี้เท่านี้เท่านี้ถึงเท่านี้นหลังตายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กำหนดปักหมดเลยบนท้องตลาดถ้าทําผิดทําหมตาบ้าตัวถูกลงโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลังตายก่อนตายกำหนดละเอียดหมดเลยแค่นั้นอลัลลอฮ์ไม่มีความเบี้ยวเบ้ย ว, บ, ยวบูดบูดไม่มีพีพิธอทั้งาถ้าหญิงอ้ายชาถามท่านนบี บอกว่าคนรักกันนี่ยในวันเกียมาเนี่ยจะคิดถึงคนรักกันไหมคนนี้พรยาสองสางคนจะคิดถึงพรยากันไหมถามอย่างนี้เลยนะน บ, บีมีพรรยาหลายคนใช่ไหมอัลลบีจะคิดถึงคนรักน บ, บีหรือเปล่าน บ, บีก็ยืนยๆนินบอกว่ามีอยู่สามที่ฉันไม่คิดถึงใครหนึ่งตอนนั้นนะตอนช่างนา้ามันมีญาน ตอนเอาตาช่างมาละช่างน้าหนักนะฉันไม่คิดถึงใครเลยคนรักก็ไม่คิดจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไม่รู้สองตอนยืน่นสมุดบันทึกให้ อ, อ่อแล้วข้อที่สามตอนข้ามสะพานเนี่ยจะเข้าไปในสวรรค์นเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านสามที่นี้ฉันไม่คิดถึงคนรักแล้วเอาเดี๋ยวเจอเองทุกคนเจอหมดท่านเตรียมตัวไปก่อนกี่ที่นะ สามที่ที่ไม่คิดถึงคนรักหนึ่งตอนไหนมีจานตอนช่างตาช่างขนาดรักกันขนาดไหนไม่คิดไม่คิดสองตอนไหนครับตอนยื่นสมุดบัญชีอันที่สามตอนข้ามสวรสสะพานที่จะไปสวรรค์พี่น้องอ่านแล้วชั้นว่าชีวิตในอาเคโรนหนักกว่าดุนยาใช่หรือไม่ใช่ เป็นชีวิตที่วุ่นวายที่สุดยกเว้นคนมีตักวาแลอีมานสบายมากัลฮทมดนดินเดาภาษานนะอุรุกัยนะ breakfast กินอาหารเช้าใต้บาลังอัลลอฮ์ lunch อินเดจันนะกลางวันบุโรเนื้อนกทอดรออยู่แล้วแป๊บเดียวอยู่บนดุนเาอยู่ตรงอาคิ้นแวแป๊บเดียวขาสวรรค์นบนเลยลนะเอินชาอัลล์สวรรค์นะอาต่อมาอายาสุดท้าย ว่ามนَษย์ไม่ย่อบูดอัลลอฮ ل َะ حرف ฟ้าอัศาْุขัยรุตมานับหีวَ่อัศَบัตฟิชนาตุนกาลาบะอันทูปะฟิชนาตุนอิ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى, على وَجْهِهِ خسيرة الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين อัลลอฮฺ น, นี่เรื่องของเราหมดเลยนะพี่น้องนะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นตัวเราตัวใครตัวมันอ่านอัญานี่พิจรารณาเอาเองว่ามีนันนไมนยบ่ ي ล ب د الله ع า ى حرف فَإِنْ أصابه ُ خير َ ثم أ َ ن ب ِ و/إن َِ أصابته َُ فتنة نقلب َ على َ وجهه َ خسر الدنيا والآخرة/ ذلك هو ا ل خ س ر ا, آ س ر الم ن المبين/ ُ ومن الناس/ มีมนุษย์บางคนไม่ใช่ทุกคน มนุษย์บางคนเป็นอย่างนี้พี่น้องยากูดุลลอผู้ที่พักดีอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์นี่แลละพี่น้องแบบไหนครับอาลาฮัทฟินแบบยืนอยู่บนขอบทางฮัทฟินยืนอยู่บนขอบทางตอ้องการจะอธิบายอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ภาษาง่ายนะยืนอยู่บนขอบทางสองแผ่นมาแล้วกันอ ต้องการที่อธิบายว่าคนนครมักมากะเป็นน้องเมื่ออพยพไปถึงนครมาดีนะคนที่อพยพเนี่ยคนชั้นหนึ่งแล้วนะไปกระทัานนาดีไปถึงนครมาดีนะพอมาถึงนครไปนะปะป้าเป็นน้องก็คนก็เริ่มรับอิสลามกันมากขึ้นมึงเข้ากูเข้ามึงเข้ากูเข้ารับกันเต็มไปหมดแต่เข้าใหม่ๆเนี่ยหัวใจมันยังไม่ ยังไม่มั่นคงก็รอดูว่าถ้าหากว่ามีเงินเพิ่มมีลูกเพิ่มอูดแพะจะข้อลูกเยอะโอ้ยน้องริศกีเพิ่มอิสลา ม, มดีเหลือเกินแล้วก็ต่อมาบางครอบครัวรับอิสลามปั๊บปัญหามาเต็มเลย ไอ้นี่ครับทำนี่ไอ้ น, นี่ก็ว่าเงินก็น้อยริสกีก็น้อยธุรกิจก็ไม่เพิ่มขึ้นเป็นอิสลามนี่ไม่ดีเลยลาบายบายไม่เป็นแล้วเป็นแขกไปเอาเลยแบบนี้มีไหมมีเยอะครับมีพี่น้องหลายคนพี่น้องรับอิสลามแต่หลายคนที่ผมพบนะรักอลรมณ์หมดเลยกนะ็บ่กตั้งแต่รับอิสลามมาดีหมดเลยมีอยู่ข้างดึงรถควา่า นึกว่าตายรถพังหมดแต่ตัวเองปลอดภัยอัลฮัมดุลิเลาะ์ขอบคุณอัลลอไปน้องหลายคนที่มารับอิสลามที่ผมรู้จักไปน้องดีหมดเลยดีหมดเลยดีหมดถาาอะไรนะอิหมานี่มันก็เรียกว่าปักกาอิหมานมันมั่นคงไปน้องาแต่คนที่สาบสนลังเลไปน้องเป็นมุสลิมจะดียังไงนะถ้าเงินไม่เพิ่มัวาไม่ไปแล้ว บางคนเนียอะไรอไรเยอะๆไปหมดเลยเพรเป็นอิสลามัอยากได้นั่นได้นั่นแต่มีอยู่คนหนึ่งนะเขามีภรรยาก่อนจะรับอิสลามเขาแต่งงานกับภรรยาของเขาไม่ใช่มุสลิมเป็นคนเยอรมันพอแต่งงานกับคนพุทธเสร็จแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ต้องมีลูกไม่มีเจ้าต่อมาคนนี้รับอิสลามก็ถามภรรยาว่าเธอจะรับอิสลามกับฉันไหมเมื่วันไม่เอาพี่เชิญคนเดียว ให้เวลา3าเดือน4เดือนนะถ้าไม่มาฉันหาใหม่นะจ้าจๆพอครบสี่เดือนชวนแล้วไม่มาก็นิก้าคนใหม่พอนิก้าคนใหม่ป้ารู้ข่าวคนคนแรกโหเสียใจมารับอิสลามมาหาผมมุสสารับอิสลามดีได้เมียสองคนคนคนแรกคนแรกที่ไม่เอาอะนะ มาละศิลามแล้วก็มาอยู่กับฉันเองกาเป็นภรรยากี่คนข็แม่อัลลอฮ์นี่ให้ฉันมากเหลือเกินแต่ว่รับไหวปะรับไหวรับไหวถ้าไม่ไหวบอกเดี๋ยวช่วยนะคร<ช>ับนี่เล่าให้ฟังนะมาตอว น, นั่งเอาไปเครียดก็ดกใจเป็นอ่อนนะว่ามีนั่นและมีมนุษย์บางคนไม่ยาบูดุลลอฮฺและฮะฟินที่เคารพพระดีอัลลอฮ์ปานึงเขายือนอยู่บนขอบทาง ฟ้าอินอัลฟบหูถ้าความดีอันใดคอยรุนบระว่าวความดีถ้าความดีอันใดมาประสบกับเขาอิสมาอั น, นบิฮีเขาก็อิ่มเ อ, อิบใจความดีหมายถึงเงินความดีหมายถึงแพะที่ออกลูกหรืออูที่ออกลูกมาอาลัลลอฮ์ได้ลูกได้หลานได้ลิสกีเพิ่มอิ่มเ อ, อิบใจไหมพี่น้องตรงกันชาบว่าอินอัลฟบา ถ้าหากมีฟิทนะมีการท ด, ทดลองมีการทดสอบมีความทุกข์ความลําบากอสรอ์บาทูประสบกับเขาอิ่งก็เละบะเขาก็หันกลับหันใบหน้าของเขากลับอุลามะอธิบายว่าตกมุรตะอิ่งก็ละบละอลาวะฮีหันหน้าของเขากลับหมายถึงตรารักัตาตารักัาอิสลามตรารอกการดีนขึนอิสลามเลย พอเจอปัญหาปั๊บอิสลามเนี่ยไม่ดีเลยพี่น้องพวกเรามีไหมถ้ามีอย่าอัลลอตําะมิเอ็งเนี่ยเหมือนกับพักดีต่ออัลลออยู่ริมขอบทางหรือริมบอ่อจะร่วงมาไรก็ได้อย่าเอาแบบนั้นฉะนั้นศรัทธาต่ออัลลอฮต้องศรัทธาแบบมั่นคงต้องเข้าใจแล้วก็อีมานให้มันจริงจัง อัลลอฮ์จะให้บรารักัดกับชีวิตหมดเลอย่ามองแค่เรียก น, น้อยเงินเพิ่มดีเงินไม่เพิ่มไม่ดีอยา่ยาอยเห็นไหมฉะนั้นอ่านกุณอ่านต้อง إيمان น, นะเยอะๆนะต่อมาครับข้อสีรอ ด, ดุลยาอัลลอฮ์คนที่ได้รับรีสกีได้รับความดีเพิ่มก็ชมอิสลามดีถ้ารับปัญหาเดือดร้อนมารับไม่ไว้ตอดาอัลลอฮ์บ้างด า, น, าบมมนบีมุฮัมมัดบ้างอย่าทําข้อสี่อ ด, ดุลยา เขาขาดทุนบนโลกดุนยานี่นะล้าเล่าก็บเอกราชก็ได้ขาดทุนอยู่แล้วแล้วก็วันอาคีรอแล้วก็ขาดทุนในโลกอาคีรออีกพี่น้องแค่นั้นอย่าอย่าทำขาดทุนในโลกอ อ, อธิบายได้ถูกลงโทษต่้งแถูกจับในฝังถูกจับใส่โลพี่น้องนั่นก็โวยวายแล้วแต่ท่านยืนอย่กจับบอลลอนแ น, น่นนะครับ ซาลิกาฮุวัลคุสรนุลมูบีนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นการขาดทุนที่สูญเสียชัดๆอาล่ะแค่ถูกทดสอบให้มีปัญหาเล็กน้อยก็ทิ้งอิสลามแล้วยยยอย่าๆย่ายพี่น้องมีใครบ้างที่อยู่ในาศาสนาอิสลามแล้วก็สบายตลอดมันเดินบนอะไรนะซิลอะไรนะบนผ้าไหมนะ่ะมีไหมอ่ะ อ้าวนบีอิบรอฮิมอัลลอ์รักเป็นขอลิลุลลอถูกโยนใสไปไนยมนบีมูซาเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยนบี ม, มูฮัมมัดเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยไปต้องอัลลอฮ์สงคารามนบียายมานครนบาดินะสงครามปปละสามครั้งถืออาวุธไปอ่ะเหนื่อยมเหนื่อยครับเราเนี่ยนะถือรถโรบอ น, นี่ น, น, น, นอนตลอด ชาว บ, บ้านนบีเนี่ยถือดาบตลอดต่างกันไหมพี่น้องสบายมากเราเนี่ยร้องรักบ้านนอนดังกระเที่ยงเตื่นใกล้ใกลม้มากริบน่ะพี่นอ้ อ, นองอลาวหรอพี่น้องมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นชีวิตต้องมองชีวิตของชาว บ, บ้านนาบีอย่ามองชีวิตพวกเราพี่น้องเราเนี่แค่เอาตัวอย่างกับบรรดาชา ว, ว บ, บ้านนาบีมาเป็นแดบดบพี่น้องสรุปสั้นๆก็คืออยาย่านี้ต้องการจะสอนว่าเป็นมุสลิมต้องรับได้ทุก ทุกไลนหน้าทุกรายการมีทั้งไม่ดีและดีนะครับทางไม่ดีก็ต้องอิมานอะไรนะให้ขอนุาตอัลลอฮ์จำมเสมอถ้าดีอิมานเราก็เพิ่มขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนุษอาเุานอลลอฮุมมาอัลเฮัมดกสเวลเลาะอิลลัอิลลัลลอฮ์อัสตัฟรุอวะอูบลุสสลามุอะลัยกุมมัลกุมตุลลอฮ์กบะบาลกัต